สรุปที่ท่านพระปิงกิยาเถระกล่าวว่าข้าพระองค์ได้ฟังพระดํารัสของพระมุนีแล้วย่อมเลื่อมใสยอย่างยิ่งนะคือน้อมใจไปหาเริยสัตย์อย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเครื่องมงบังอันเปิดแล้วไม่มีหลักต่อเป็นผู้มีปฏิพันธ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วซึ่งธรรมะอันทํำให้เป็นอธิเทพ ทรงทราบทึงธรรมะทั้งปวงอันทาพระองค์และผู้อื่นให้เป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงทรรมที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายแก่พวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้นะตรงนี้ก็เป็นคำที่พระปิงกิยะชื่นชมยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นอธิเทพก็เทพมีสามอย่างนะสมมุติเทพ อุปติเทพและวิสุทติเทพพวกสมมุติเทพก็ได้แก่พระราช า, รา ช, าราชกุมารราชกุมารีพระเทวีทั้งหลายนี้เรียกว่าสมมุติเทพส่วนอุบัติเทพก็คือพวกเทวดาและหมู่พรหมเรียกว่าอุปติเทพส่วนวิสุตติเทพเป็นชื่อของพระตถาคตพระอรหันตะขีนาศพพระปเจกพรพุทธเจ้านะกลุ่มพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าวิสุตติเทพ <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วคือทรงทราบแล้วทรงเทียบเคียงแล้วทรงพิจารณาแล้วทรงทำให้แจ่มแจ้งแล้วทรงทำให้ปรากฏแล้วซึ่งสมมุติเทพว่าเป็นว่าอธิเทพซึ่งอุปติเทพว่าอธิเทพเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ถือว่าเป็นผู้รู้จักเทพทุกชนิดเหมือนกันพระองค์นี้ทรงทราบซึ่งธรรมะทั้งปวงอันทาพระองค์และผู้อื่นให้ประเสริฐให้เป็นผู้ประเสริฐก็คือ ทรงรู้ทั่วถึงถูกต้องแทงตลอดซึ่งธรรมะอันทําให้พระองค์และผู้อื่นเป็นอธิเทพคือวิสุทธิเทพธรรมะอันทําพระองค์ให้เป็นอธิเทพเป็นไนก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะความประกอบในความเพียรนันะ ในความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะสติประธาน4สัสมมาประธาน4อ่ทธิบาท4อินสี่ห้าพละหโพชองเจ็อริยมรรคมีองค์8เรียกว่าธรรมะอันธรรมพระองค์ให้เป็นอธิเทพส่วนธรรมะอันธรรมผู้อื่นให้เป็นอธิเทพก็คือความปฏิบัติชอบ นนะแนวเดียวกันนะนะก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรไม่เป็นฆ่าศึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความบริบูรณ์ในศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตนันยุตาชาคริยานุโยกสติสัมปชัญ ญ, ญาโภธิปัิยธรรมเรียกว่าธรรมะที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงทำส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายก็คือ พระองค์นี้ทรงทำส่วนสุดส่วนสุดรอบทรงกําหนดทรงทําความจบแห่งปัญหาของพราหมณ์ผู้สแสวงหาธรรมะเครื่องถึงฝั่งปัญหาของพราหมณ์บริษัทปิงคียะพราหมณ์ท้าวสั ก, กะอมนุษย์ปัญหาของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพรมมันปัญหาของใครทั้งหมดเนี่ยพระองค์สา ม, มารถทําที่สุดแห่งปัญหาได้ พระองค์นี้เป็นพระาศาสดาคือผู้นําพวกนะศาสดาหมายถึงผู้นําพวกอุปมาเหมือนนายหมู่นายพวกนะย่อมนําพวกพาให้ข้ามพ้นกันดารคือข้ามกันดารคือโจรสัตว์ ร, ร้ายทุพพิกภัยในสถานที่ไม่มีน้ําให้ถึงภูมิสถานปลอดภัยฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นําพวกนําสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกันดารคือให้ข้ามพ้นกันดารคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนั้นและอุปาญาต พระองค์พาให้ข้ามกั nd านคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทูจริตพระองค์นี้พาให้พ้นจากที่รกชัดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทูจริตพระองค์พาให้ถึงอมาตะนิพานอันเป็นภูมิสถานปลอดภัยก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นศาสดาก็คือผู้นําพวกอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นําแนะนํานําเนืนนเนองๆให้รู้ชอบ คอยสอดส่องเพ่งดูให้เลื่อมใสเรียกว่าคุณธรรมของครูนะพระผู้อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังมักที่ไม่เกิดดีให้เกิดดีตรัสบอกมักที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้จักมักทรงทราบมักทรงฉลาดในมักก็แหละบัดนี้สาวกทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินตามมักเป็นผู้ประกอบในภายหลัง น, นะพระองค์นี้ทาพวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ ความว่าบุคคลทั้งหลายมีความสงสัยมาแล้วเป็นผู้หายความสงสัยไป มีความยุ่งใจมาแล้วหายความยุ่งใหญ่ยุ่งใจไปมีใจสองมาแล้วหายความเป็นผู้สองใจไปมีความเคลือบแคลงมาแล้วเป็นผู้หายความเคลือบแคลงไปมีราคะมาแล้วปราศจากราคะไปมีโทสะมาปราศจากโทสะไปมีโมหะมาปราศจากโมหะไปมีกิเลสมาก็ละกิเลสได้ไปเรียกว่าเป็นผู้ที่ทําพวกที่สงสัยเนี่ยให้กลับรู้ เพราะฉะนั้นพระปิญกิยเถระท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วซึ่งธรรมะอันให้เป็นอธิเทศทรงทราบซึ่งธรรมะทั้งปวงอันทมพระองค์และผู้อื่นให้เป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงทรรมซึ่งที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายแก่พวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ นิพพานอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้ไม่กําเริบไม่มีอุปมาในที่ไหนๆข้าพระองค์จักถึงอนุปาทิเสสนิพพา น, นาธาตุโดยแท้ความสงสัยในนิพพานนี้ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปแล้วอย่างนี้เนี่ยนะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าให้น้อมด้วยศรัทธาบรรลุอรหันเนี่ยนะท่านก็น้อมศรัทธาบรรลุอรหันได้จริงๆนะ เพราะฉะนั้นอมตะนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกําหนัดความดับความออกจากตันหาเรียกว่าเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวว่านิพานอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้คือนิพานนั้นอันราคะโทสะโมหะนำไปไม่ได้ความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอริสยาตรณีความลวงความโมวด ความกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิน่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่ารอ้อนอกุศลาภิสังขารเนี่ยนำไปไม่ได้นิพานนั้นเป็นคุณชาติเที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมนาเพราะฉะนั้นบาปอากุศลอะไรๆนําไปไม่ได้ นิพานอันไม่กำเริบคือนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิน้นตันหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเรียกว่า น, นิพานอันไม่กำเริบเนี่ยนะอสังกุ ป, ปังนะ อ, อสังหีรังก็คืออะไรอะไระนาไปไม่ได้อาสังกุปปังก็คือไม่กำเริบะนะ ความเกิดขึ้นแห่งนิพพานใดย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งนิพพานนั้นย่อมไม่มีย่อมปรากฏอยู่โดยแท้นิพพานเป็นคุณชาติที่ยั่งยืนมั่นคงไม่ได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนิพพานนะอสังหีรังอสังกุปังอนะไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนนะนิพพานนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอุปมาเพราะไม่มีอุปมาไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งเสมอไม่มีอะไรเปรียบไม่ปรากฏไม่ประจักษ์ เพราะฉะนั้นไม่รู้จะเอาอะไรในที่ไหนๆมาเปรียบเทียบคือในที่ไหนที่ไรๆในที่บางแห่งภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกเอาเปรียบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคำว่าจักถึงโดยแท้คือจักบรรลุจักถูกต้องจักทําให้แต่งซึ่งนิพพานโดยแท้ความสงสัยในนิพพานนั้นไม่ได้มีแก่ข่าพระองค์ ความว่าความสงสัยความลังเลใจความไม่แน่ใจความเคลือบแคลงในนิพานไม่ได้มีคือไม่ปรากฏไม่ประจักษ์ความสงสัยนั้นอันฆ่าพระองค์ละได้แล้วตัดขาดแล้วระงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดทรงจําฆ่าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปอย่างนี้คือมีจิตน้อมไปเอ็นไปในนิพานอูนไปในนิพานเงื้อมไปในนิพานน้อมจิตไปในนิพาน สรุปว่านิพานนี้อสังหีรังอสังกุปปังอะไรอะไรนำไปไม่ได้ไม่กําเริบไม่มีอุปมาในที่ใดๆข้าพระองค์จักถึงอนุปาทิเสสานิพานธาตุโดยแท้ความสงสัยในนิพานไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงจําข้าพระเจ้าโปรดทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีน้อมจิตไปในนิพานแล้วอย่างนี้เนี่ยนะท่ น, น หลังจากที่ท่านพระปิงคิยะเนี่ยนะจบคาถาที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านก็บรุอรหัตผลภาวรีพรามก็บรุอนาคามีผลส่วนสิทธิ์โง่เนี่ยห้าร้อยก็บรุโสดาบันเนี่ยนะในในสูตรเนี่ยนะตอนท้ายพระองค์ก็ตรัสแสดงธรรมให้ประชุมชนตรัสรู้ธรรมได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นปรายณนะปรายณวักเนี่ยนะทำให้ผู้บรุธรรมเนี่ย อย่างน้อยก็สิบสี่โกดนนะสิบสี่โกดหนึ่งมื่นหพันแล้วก็ห้าร้ยห้าร้อยหนึ่งท่านนะอันนี้ว่าคร่าวๆนี่ก็มาลุทำเนี่ยนะสิบสี่โกดกว่า น, นะปรายนาวักมันก็ถือว่าเป็นวักที่ควรจะฟังควรจะทรงจำศึกษาเรียนรู้เอาไปพิจารณาเทียบเคียงดังที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดรู้แจ้งปัญหาหนึ่งหนึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำผู้นั้นก็ถึงฝัง คือพระนิพานอันเป็นที่สุดแห่งชราและมรณะได้หรือในตอนท้ายนี่เห็นอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถตรัสรู้แบบศรัท ธ, ธาวิมุตติได้คือน้อมจิตด้วยศรัท ธ, ธาเนี่ยไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตโน้มไปในพระนิพานเป็นที่สงบระงับดับอสังขตะท่าทั้งปวงอันข้อความในโซลสักมานวกะปัญหานิเทศก็คงจบแต่เท่านี้นะปรายณวัคนิเทศก็จบแต่เพียงเท่านี้